45, สี่สิบห้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอริายานุก ได้เล่าถึงสวรรค์6กชั้นแล้วจะได้เล่าถึงพรหมโลกต่อไปสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นที่6อีกมากจึงถึงพรหมโลกซึ่งก็มีอยู่มากชั้นซ้อนๆกันไปแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือรูปประพรมและอรูปประพรมอธิบายตามกติทางพระพุทธศาสนาว่าผู้ที่ทำสมาธิจนบรรลุถึงรูปฌาน คือฌานที่มีรูปนิมิตเป็นอารมณ์รูปฌานนั้นย่อมมีวิบากให้ไปเกิดเป็นรูปประพรมผู้ที่ทำสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌานคือทิ้งรูปนิมิตกำหนดอารูปนิมิตคือนิมิตที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์จนได้บรรลุอารูปฌานคือฌานที่มีอารูปนิมิตเป็นอารมณ์ฌานนั้นก็มีวิบากให้ไปเกิดเป็นอารมปพรมคว่าพรม ท่านแปลว่าจเจริญรุ่งเรืองหมายความว่าจเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษมีชานเป็นต้นรูปปรพรมนั้นมีสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆตามภูมิชานดังต่อไปนี้ชั้นปฐมรูปประชานหนึ่งพรมาริษัทชาแปลว่าเป็นบริษัทของพรมท่านอธิบายว่า เกิดในบริษัทของมหาพรมเป็นผู้บำรุงมหาพรมที่จะกล่าวในชั้นที่สามสพรมปุโรหิตาแปลว่าเป็นปุโรหิตของพรมท่านอธิบายว่าคือปุโรหิตของพวกมหาพรมดังกล่าว 3. มมหาพรมแปลว่าพรมผู้ใหญ่ท่านอธิบายว่า ใหญ่กว่าพวกพรมปาริสัชชาเป็นต้นเช่นมีวันณะยิ่งกว่ามีอายุยืนกว่าพรมสามพวกนี้ท่านว่าสถิตยอยู่ในชั้นเสมอกันแต่มีความรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ปฐมรูปชานคือรูปชานที่หนึ่งถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดในพวกพรมปาริสัชชาถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดในพวกพรมปุโรหิตา ถ้าได้อย่างกล้าแข็งก็ให้เกิดในพวกมหาพรมพิจารณาดูพรมสองพวกข้างตน้นตามอธิบายของท่านคล้ายกับมีหน้าที่เป็นบริวารของพวกมหาพรมดูไม่น่าจะต้องมีหน้าที่เช่นนั้นน่าจะเข้าใจความว่าพวกพรมปาริสัจชาก็คือนับเข้าเป็นพรมบริษัทเช่นเดียวกับเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาก็นับเป็นพุทธบริษัท เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษยิ่งขึ้นอันควรจะเรียกด้วยคำอื่นเช่นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรก็คงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทและพวกพรมปุโรหิตาก็น่าจะหมายสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโดยความก็คือเป็นพวกพรมชั้นต้นๆแต่ก็นับว่าเป็นพรมแล้วชั้นทุตยรูปชาน สปริตตาภาแปลว่ามีรัศมีน้อยคือมีแสงสว่างน้อยกว่าพรมชั้นสูงสูงขึ้นไป 5. อัปประมานาพาแปลว่ามีรัศมีไม่มีประมาณคือมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้ 6. อาภัตสราแปลว่ามีรัศมีซ่านไป คือแผ่ออกไปแต่ที่นั้นที่นี้ดุดสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆเพราะมีขันทศนันเกิดจากฌานที่มีปีติอีกนัยะหนึ่งอาภัสราแปลว่ามีรัศมีผวยพุ่งคือหยดย้อยออกเหมือนย้อยหยดออกจากสรีระดุดเปลวไฟแห่งโคมประทีปอีกอย่างหนึ่งอาภัสราแปลว่ามีปกติสว่างสวยัย ด้วยรัศมีพรมสามจุพวกนี้สถิตยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ทุติยะรูปฌานคือรูปฌานที่สองถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรพมปริตตาภาถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรมอัปมานาภาถ้าได้อย่างแข็งกล้า ก็ให้เกิดเป็นพวกพรมอาพัสราชั้นตติยรูปชานเจ็ดปริตตสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสรีระสวยงามน้อยคือน้อยกว่าพวกพรมชั้นสูงขึ้นไปแปอัปประมาณสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณคือมีมากเกินที่จะประมาณได้ สุภกินหาแปลว่ามากมายไปด้วยรัศมีที่สวยงามคือมีรัศมีผุดสว่างทั่วไปแผ่ซ่านออกจากสรระเป็นอันเดียวกันมีสีริเหมือนอย่างแพ่งทองที่โรดรุ่งอยู่ในหีบทองพรหมสามจมพวกนี้สถิตยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ตติยะชาญ คือรูปฌานที่สามถ้าได้อย่างอ่อนก้ใหเกิดเป็นพวกพรมปริตตสุภาถ้าได้อย่างปานกลางก้อยเกิดเป็นพวกพรมอัปประมาณสุภาถ้าได้อย่างแข็งกล้าหรือประณีตก้ให้เกิดเป็นพวกพรมสุภกินหาชั้นจะตุตรูปฌาน 10. เวหััลลาแปลว่ามีผลภัยบู์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของฌานชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ได้จดตุตฌานคือฌานที่สไม่ได้มีแบ่งเป็นสามชื่อสําหรับผู้ได้อย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างประนีตกล่าวไว้ชื่อเดียวรวมรวงกันไปอีกนัยหนึ่งถ้าแบ่งรูปฌานออกเป็นห้าชั้นชั้นของพรมปาริสัชาพรมปุรโรหิตาและมหาพรม สำหรับผู้ได้ปฐมฌานอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างประนีธชั้นของพรมปริตตาภาอัปปามานาภาและอาภัสราสำหรับผู้ได้ทุติยฌานและตติยฌานอย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างพระนีตชั้นของพรมปริตตสุภาอัปปามานสุภาและสุภกินหาสำหรับผู้ได้จตุตฌานอย่างอ่อนอย่างปานกลาง และอย่างประนีชั้นของพรมเวหััพลาสำหรับผู้ได้ปัญจมะฌานคือฌานที่ห้าออสัญญีแปลว่าไม่มีสัญญาเสียเลยพรมชัมน้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานสมาบัติเพราะเพ่งอยู่เป็นนิดว่าจิตไม่มีท่านยกตัวอย่างนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาบางพวกผู้เห็นโทษในจิตว่า ราคะโทสะโมหะล้วนอาศัยจิตเกิดขึ้นมีความเห็นว่าความไม่มีจิตเป็นของดีเป็นนิพพานในปัจจุบันจึงเพ่งอยู่เป็นนิดว่าจิตไม่มีจิตไม่มีสำรอกดับนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปโดยลำดับยกตัวอย่างสัญญาคือความจำหมายก็ทำให้เลือนลืม ไม่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นอย่างที่เรียกว่าทำให้ดับไปเมื่อปฏิบัติอย่างนี้จนได้ถึงจะตุติฌานก็ให้ไปเกิดเป็นพรมชั้นอสัญญีสัตว์มีแต่รูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารคือความปรงคิดไม่มีวิญญาณอะไรอะไรทั้งสิน้นและเวลาตายจากมนุษย์ถ้ายืนตายก็ไปเกิดเป็นพรมยืน ถ้านั่งตายก็ไปเกิดเป็นพรมนั่งถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็นพรมนอนคือตาในอิริยบาบถใดก็ไปเกิดเป็นพรมมีอิริยาบถนั้นและก็อยู่ในอิริยาบถนั้นจนถึงจุติท่านอธิบายว่าในเวลาจุติพอเกิดสัญญาขึ้นก็จุติจากกายนั้นท่านอธิบายไว้ในที่บางแห่งอีกว่าในเวลาว่างพระพุทธศาสนา มีนักบวชในลัทธิเดียรถีบางพวกเจริญวายกสินได้ถึงจตุตฌานเห็นโทษในจิตดังกล่าวจึงเพ่งความไม่มีจิตเป็นอารมณ์ครั้นตายก็ไปเกิดเป็นอสัญญีพรมการทำสมาธิไม่มีสัญญาสเสลยนี้ลองพิจารณาดูเมื่อทำได้ก็จะมีอาการดับจิตหรือดับจิตสังขารหมดความรู้สึกอะไรอะไรทุกอย่าง อย่างอ่อนก็เหมือนหลับหรือสลบไปอย่างแรงก็เหมือนตายแต่ไม่ตายไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรในเวลานั้นทุกอย่างทำให้ดับลงไปได้ในขณะที่อยู่อิริยาบถใดก็จะอยู่ในอิริยาบถนั้นเช่นเดียวกับที่ท่านว่าไปเกิดเป็นอสันยีสัตว์อยู่ในอิริยาบถอย่างเดียวกับเมื่อเวลาตายน่าจะตรงกับที่ไทยเราเรียกว่า พรมลูกฝักซึ่งไม่เพียงหนึ่งขันได้แก่รูปประขันเท่านั้นไม่มีนามขันเป็นพรมภายนอกพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไปเกิดเป็นพรมพวกนี้วิธีปฏิบัติทุกอย่างทํานองนี้จึงไม่ใช่พระพุทธศาสนาในที่บางแห่งจัดชั้นอสัญญีนี้ไว้หน้าชั้นเวหพลาและทั้งสองชั้นนี้ อยู่ในพื้นชั้นเดียวกันเรื่อง45พรรษาของพระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาถึงพรรษาที่6ในพรรษานี้อย่างไม่พบเรื่องอะไรมากจึงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตเรื่องกลับกันเรื่องโลกจั ก, กรวาล เรื่อยมาจนถึงเรื่องนรกสวรรค์แทรกเอาไว้เป็นปุกลาทิฏฐานเต็มที่เพื่อให้เห็นคติความเชื่อถือเก่าแก่ในเรื่องเหล่านี้ที่ได้เชื่อถือกันมาแต่ในครั้งไหนไม่รู้แต่ก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในคำพีพระพุทธศาสนาทุกชั้นต่อไปในพรรษาที่7ท่านว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงจะได้ปรารภถึงเรื่องอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมมาทิฐานเต็มที่ฉะนั้นการที่แทรกเรื่องนรกสวรรค์เข้าไว้ในพรรษาที่หกก่อนก็เพื่อจะแสดงปุกนาทิฏฐานขึ้นก่อนแล้วจึงถึงธรรมมาทิฏฐานเป็นคู่เทียบกันไปทีเดียวและเรื่องสวรรค์ไดค้างอยู่ในชั้นอสัญญีพรมหรือพรมลูกฟักซึ่งเป็นพรมภายนอกพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้นำมากล่าวไว้ในอันดับของพรมที่11จึงจะดำเนินเรื่องพรมสืบลาดับต่อไปพรมชั้นสุทธาวาสหต่อจากพรมชั้นเวหัพลาหรือต่อจากพรมอสันญีสัตว์ซึ่งนับเป็นพรมชั้นที่11ก็ถึงพรมชั้นสุทธาวาส คำว่าสุทาวาดแปลว่าอาวาดคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หรือที่อยู่อันบริสุทธิ์หมายถึงนิวาดภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นคำว่าผู้บริสุทธิ์ในที่นี้หมายเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์คือพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีในโลกนี้สิ้นชีวิตแล้วท่านว่าไปเกิดอยู่ในชั้นสุทาวาต และจะสำเร็จเป็นพระอระหรนันติพานในชั้นสุทาวาสนั้นไม่มีกลับลงมาอีกท่านจึงว่าสุทาวาสเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและพระอระหันต์หมายถึงพระอนาคามีดังกล่าวและพระอระหันต์ที่สำเร็จภายหลังจากที่ขึ้นมาเกิดในสวรรค์แล้วสุทาวาสนี้มีอยู่ห้าชั้นนับต่อจากชั้น11เอเป็นลำดับไปดังนี้ 12. อวิหาแปลว่าไม่ละฐานของตนโดยการอน้อยหรือไม่เสื่อมจากสมบัติของตนเป็นภูมิสุทธาวาสชั้นต้น 13. อตบปาแปลว่าไม่สะดุ้งกลัวอะไรหรือไม่ทำผู้ใดผู้หนึ่งให้เดือดร้อนเป็นภูมิสุทธาวาสชั้นสองสิ 14. สุทัศน์แปลว่าดูงามคือมีรูปงามน่าดูเป็นภูมิสุทาวาสชั้นสามสสุทัศ์สีแปลว่ามีทัศนะคือความเห็นดีบริสุทธิ์เป็นภูมิสุทาวาสชั้นสี่กอากนิถาแปลว่าไม่มีเป็นรองเพราะมีสมบัติ อุกฤษเป็นภูมิสุทาวาชั้นห้าสุทาวาทั้งห้าชั้นนี้นับเข้าในพรมชั้นจะตุทะโรปะชานคือชานที่มีรูปกรรมฐานเป็นอารมณ์ชั้นที่สี่ชั้นอรูปะชานสี่ต่อจากนี้ถึงภูมิชั้นของพรมผู้มาเกิดเพราะได้อรูปะชานจัดเป็นสี่ชั้นตามภูมิชานดังนี้หนึ่ง อากาศนัญจายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อารูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าอากาศไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอารูปที่หนึ่งสวิญญาณัญจายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าวิญญาณไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอารูปที่สอง 3. อากินจัญญายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อารูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นอารูปที่ส 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อารูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนดับสัญญาอย่างยาบ เหลือแต่สัญญาอย่างละเอียดจึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะวิถีจิตละเอียดมากคล้ายจะเป็นอสั ญ, ญีคือไม่มีสัญญาเสียเลยอย่างคนสลบสลายสิ้นสัญญาหรือคนหลับสนิทจริงๆไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะยังมีสัญญาละเอียดอยู่ไม่ใช่สิ้นสัญญาเสียหมดเลยซึ่งเป็นอารูปที่สี่อารูปทั้งสี่ชั้นนี้ ละเอียดกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับรวมพรมทั้งรูปทั้งอารูปเป็น20ชั้นถ้ายกอสัญญีพรหมเสียก็มี19ชั้นทุสเจดีบนพรหมโลก ในไตรภูมิพระร่วงและในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรถกล่าวไว้ตรงกันว่ามเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกพนวดคือก่อนตรัสรู้เรียกว่าพระโพธิสัตว์พรมนำบริขารแปดจากพรหมโลกมาถวายพระโพธิสัตว์และรับพระภูสาคฤหัตทั้งคู่ ขึ้นไปบรรจุไว้ในทุศเจดีในพรหมโลกในไตรภูมิระบุว่าชั้นอากนิตในปฐมสมโพธ์ระบุชื่อพรมว่าคติการพรมซึ่งเป็นสหายกับพระโพธิสัตว์ครั้งสวยพระชาติเป็นโชติบาลในศาสนาของพระกสปะพุทธเจ้าคำว่าทุศเจดีแปลว่าเจดีผ้า คงหมายถึงเป็นที่บรรจุผ้าคือพระภูษาดังกล่าวเป็นอันว่าพระพรมได้พระภูษาครือหัดขึ้นไปบรรจุในทุตเจดีส่วนพระอิน์ได้พระจุลาโมลีกับผ้าพันโพกพระเสียรขึ้นไปบรรจุในจุลามณีเจดีในคราวที่ทรงผนวนนั้นบริการทั้ง8ที่กัติการพระพรมถวายสำหรับบา ได้มีเหตุพิเศษที่ท่านกล่าวถึงอีกคือเมื่อนางสุชาดาน้อมถาด ท, ทองข้าป่ายาตเข้าไปถวายพระพทธิสัตว์ในเช้าแห่งวันที่จะตรัสรู้บาทดินที่กฎติการพรมถวายมีบันดาลให้อันตรธานหายไปไม่ทรงเห็นบาทจึงทรงรับทั้งถาดครั้นตรัสรู้แล้วเมื่อพานิชสองพี่น้อง ชื่อตาปุสะคนหนึ่งพันลิกะคนหนึ่งในน้อมข้าวศัตรุก้อนศัตุผงถวายไม่มีบาทที่จะส่งรับเพราะบาทดินก็ได้หายไปแล้วตั้งแต่เมื่อนางสุชาดาถวายถาดปายาตเท้าจตุโล ก, กบาลทั้งสี่นำบาสิลาจากทิศทั้งสี่มาถวายรวมเป็นสี่บาทพระองค์ส่งรับอธิษฐานให้เป็นบาทเดียวกันและสงรับข้าวศัตรู ของพาณิชย์สองคนนั้นต่อมาในคราวปรินิพานก็ได้มีเรื่องเกี่ยวแก่พระเจดีย์ทั้งสองนี้อีกในปฐมสมโพธิกถานนั้นกล่าวว่าพระเขี้ยวกแก้วเบื้องบนซ้ายขวากับพระราขขวัญเบื้องบนขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในยุลามณีเจดีย์พระราขขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณหิตขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนทุสเจดีย์ ในพุทธวงศ์ได้กล่าวถึงที่ประดิษฐานบริขารทั้งหลายของพระพุทธเจ้าไว้ว่าบาทไม้เท้าจีวร อ, อยู่ในเมืองวชิราสบงอยู่ในเมืองกุลกขระผ้าปูบรรทมอยู่ในเมืองศีหะระกระบอกรองประคตเอวอยู่ในเมืองปาตลีบุตรผ้าสงอยู่ในเมืองจำปา อุณาโลมอยู่ในแควนโกศลกาสาวพัทยอยู่ในพรหมโลกผ้าโพกที่กล่าวมาแล้วอยู่ในเมืองไตรทศหรือดาวดึงนิสีธนะอยู่ในอวันตีชนบทผ้าลาดอยู่ในเทอัตที่สีไฟอยู่ในเมืองมิทิลาผ้าครองอยู่ในรัฐวิเทหะมีดและกล่องเข็ม อยู่ในเมืองอินทปัตเป็นอันว่าได้มีบางอย่างขึ้นไปอยู่ในโลกทั้งสองไม่ได้กล่าวว่าบรรจุอยู่ในอะไรก็น่าจะในเจดีทั้งสองนั่นแหละ เรื่องสิ้นกับกันคือถึงการโลกวินาศตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นตามกติความเชื่อโบราณของอินเดียโลกก็มีอายุเหมือนบุคคลหรือสังขารทั้งหลายกำหนดอายุของโลกเรียกว่ากับหรือกันและโลกก็มีเวียนเกิดตายความเกิดขึ้นใหม่ของโลกเป็นการตั้งต้นกับใหม่ ความตายของโลกเป็นการสิ้นกับครั้งหนึ่งความตายของโลกนี้หมายถึงโลกวินาศด้วยเหตุสามอย่างคือไฟน้ำและลมท่านว่าวินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งติดติดกันถึงครั้งที่8วินาศด้วยน้ำและวนมาวินาศด้วยไฟน้าเหมือนดังนั้นอีก8หนจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งท่านว่า ในคราวที่วินาศด้วยไฟเกิดไฟไหม้โลกตั้งแต่อบายภูมิต่ำที่สุดถึงมนุษย์สวรรค์จดพรหมชั้นปฐมฌานหรืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไปในคราวที่วินาศด้วยน้ำนั้นเกิดน้ำท่วมโลกเหมือนอย่างนั้นแต่สูงขึ้นไปจดพรหมชั้นทุติยตติยฌานเหลืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไปในคราวที่วินาศเดินลมร้ายแรงที่สุด ลมทำลายล้างโลกตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดไปจนพรหมชั้นจตุตฌานเหลืออยู่แต่ชั้นจตุตฌานนั้นคือตั้งแต่ชั้นเวหภพลาที่นับเป็นพรหมชั้นที่สิบคตินี้แสดงว่าโลกทั้งหมดตั้งแต่อบายโลกจนถึงพรหมโลกตั้งอยู่เนื่องกันอยู่ในคราวเกิดทุกภัยอย่างใหญ่ก็เนื่องถึงกันแต่ก็ยังมีเหลือ สำหรับเป็นที่สัตว์ที่ถูกภัยได้ขึ้นไปเกิดอาศัยจึงยังมีเชื้อที่จะได้มาเกิดในโลกที่จะกลับเกิดขึ้นมาอีกไม่เช่นนั้นโลกที่กลับเกิดใหม่ก็จะเป็นโลกว่างไปเสียคือยังมีที่เหลือให้อบะยพไปเกิดกันได้ทุกคราวที่เกิดโลกวินาศฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่วินาศไปจริงเลยอบะยพไปเกิดกันในที่อันยังเหลืออยู่นั้นได้ หนวกเรื่องเปรตได้พบเรื่องเปรตเรื่องเทพเป็นต้นที่กระจัดกระจายอยู่ในที่หลายแห่งเดิมก็ไมปในนึกว่าจะนามากล่าวให้มากมายแต่เมื่อได้เปลี่ยนความคิดเป็นประมวลเรื่องเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกล่าวถึงในที่อื่นอีกจึงจะเพิ่มเติมเรื่องที่ไม่ได้คิดจะกล่าวผนวกเข้าเรื่องเปรตที่จะเก็บมาผนวกไวน้นี้เก็บมาจากลักษณะสังยุต ในนิทานวักท่านว่าไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเช่นนั้นเพราะเศษกรรมคือเมื่อเป็นมนุษย์ทาบาปหยาบชาไว้ตายไปเกิดในนรกครั้นพ้นนรกแล้วยังไม่สิ้นบาปกรรมทั้งหมดจึงต้องไปเป็นเปรตเสวยทุกข์ต่อไปอีกเพราะกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นคำว่าเศษกรรมก็คือบาปกรรมที่ยังเหลืออยู่ หมายถึงเศษบาปนั่นเองท่านกล่าวว่าเมื่อท่านพระลักษณะซึ่งเป็นองค์หนึ่งในชดินพันองค์และท่านพระมหาโมคคลานะพักอยู่บนภูเขาคิจกูใกล้พระนครราชกระกเวลาเช้าท่านทั้งสองออกบินธบาตขณะที่เดินลงจากภูเขาท่านพระมหาโมคคลานะได้แย้มโอดซึ่งเป็นอาการบันเทิงของพระอรหันต์ไม่ถึงยิ้ม ท่านพระลักษณะได้ถามถึงเหตุของอาการแย้มท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าไม่ใช่เวลาของปัญหาให้ถามในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถอดเมื่อท่านทั้งสองเที่ยวบินทบารในก ร, รุงราชคฤฒิทมพัฒกิจเสร็จแล้วขากลับได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเวฬุวันท่านพระลักษณะได้กล่าวถามขึ้น ท่านพระมหาโมคคลานะจึงได้เล่าว่าได้เห็นร่างสัตว์อย่างหนึ่งลอยไปในอากาศมีลักษณะอาการตามที่ท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับรองและได้ทรงพยากรณ์บาปที่สัตว์นั้นได้ทาขณะเมื่อเป็นมนุษย์ท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นบ่อยๆขณะที่เดินลงจากเขาคิจกุและได้เล่าในที่เฉพาะพระภักทุกครั้ง ได้มีพุทธพยากรทุกคราวว่าเป็นสัตว์ที่สวยเศษบาปดังกล่าวข้างต้นร่างสัตว์ที่ท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเหล่านี้ในอัตถกถาเรียกว่าเปตะคือเปรตทั้งหมดท่านพระมหาโมคคลานะเห็นแล้วแยม้มเพราะท่านดําริดว่าท่านเองพ้นแล้วจากอัตภาพเช่นนั้นต่างจากผู้ที่ยังไม่เห็นสัตว์จักยังมีชาติพบไม่แน่นอน ซึ่งอาจไปเกิดเป็น เ, เปนเรตเช่นนั้นอีกก็ได้ท่านจึงบันเทิงใจพระอาจารย์ท่านอธิบายอย่างนี้ที่จะป้องกันว่ามิใช่แย้มยันแต่ก็อาจอธิบายว่าแย้มโอดแสดงว่าได้เห็นสิ่งแปลกแสดงอาการคล้ายจะพูดก็ได้ประมวลกล่าวเปรตที่ท่านได้เห็นและพยากรณ์บาปโดยย่อดังต่อไปนี้ต้นหนึ่งเป็นแต่โครงกระดูก ถูกฟูงแรงกานกตะกรุมรุมเจาะจิกถึงลอยร้องครว่นครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฆ่าโคด้วยเคยเป็นคนฆ่าโคชำแหละเนื้อให้เหลือแตกกระดูขายอยู่ในพระนครราชกระดนั้นต้นหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อถูกฟูงแรงกานกตะกรุมรุมเจาะจิกถึงลอยร้องครุ่นครางไปในเวหา เพราะเศษกรรมที่ฆ่าโคด้วยเคยเป็นคนฆ่าโคชำละเนื้ออยู่ในพระนคร น, นั้นเช่นเดียวกันต่างแต่ตนหนึ่งเป็นโครงกระดูกตนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อท่านว่าเพราะนิมิตที่สัตว์นั้นเห็นในเวลาที่ไปเกิดต่างกันจึงไปเกิดมีรูปลักษณะที่ต่างกันคือไม่เห็นนิมิตเป็นโครงกระดูกคือเมื่อเห็นนิมิตเป็นโครงกระดูกก็ไปเกิดเป็นเปรตโครงกระดูก เห็นนิมิตเป็นชิ้นเนื้อก็ไปเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อต้นหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนังถูกแรงกานกตะกุมเจาะจิกถึงลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฆ่าแกะด้วยเคยเป็นคนฆ่าถลกหนังแกะขายอยู่ในพระนครนั้นต้นหนึ่งเป็นก้อนเนื้อถูกแรงกานกตะกลมเจาะจิกถึงลอยร้องครวนครางไปในเวหาด เพราะเศษกรรมที่ฆ่านกในพระนครนั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนังถูกแรงกานกตะกุมเจาะจิกถึงลอยร้องครว่นครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฆ่าแกะด้วยเคยเป็นคนฆ่าถลกหนังแกะขายอยู่ในพระนครนั้นต้นหนึ่งมีขนทั่วสรลผางกายกลายเป็นดาบที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับมาทิ่มแทงกายตนเอง ลอยร้องครวนครางไปในเวหาสเพราะเศษกรรมที่ฆ่าสุกรด้วยเคยเป็นคนฆ่าสุกรขายด้วยอาวุธชนิดนั้นอยู่ในพนักคอ น, นั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสละพางกายกลายเป็นหอกที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับตกลงมาทิ่มแทงกายลอยร้องครวนครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมที่ฆ่าเนื้อด้วยเคยเป็นคนใช้หอกฆ่าเนื้อขาย อยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสารพางกายกลายเป็นดอกธนูที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับตกมาทิ่มแทงกายลอยร้องครุญครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมที่หาเหตุทรมานจนถึงฆ่าคนเบื่อเหตุที่ได้เคยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้คอยหาเรื่องหาราวฆ่าคนโดยใช้ยิงให้ตายด้วยธนูอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่ง เป็นบุรุษมีขนทั่วสารพางกายกลายเป็นปะตักที่หลุดลอยออกไปแล้วกลับมาทิ่มแทงกายลอยร้องครุครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฝึกม้าอย่างโหดร้ายทารุณโดยเด็กเคยเป็นคนฝึกม้าด้วยวิธีโหดร้ายทารุณใช้ปะตักแทงม้าถึงพิการหรือตายอยู่ในพระนครนั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสารพางกาย กลายเป็นเข็มทิ่มแทงไปในศีรษะออกทางปากทิ่มเข้าไปในปากออกทางอกทิ่มเข้าไปในอกออกทางท้องทิ่มเข้าไปในท้องออกทางขาทิ่มเข้าไปในขาออกทางแข้งทิ่มเข้าไปทางแข้งออกทางเท้าลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่มีป่าเป็นเข็ม ด้วยเด็กเคยเป็นคนปากเข็มอยู่ในพระนครนั้นท่านอธิบายว่าคนปากเข็มคือคนพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันจะอธิบายว่าคือคนพูดทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจเป็นทุกข์อย่างหนักก็น่า จ, จะได้ต้นหนึ่งเป็นบุรุษภุ้มพันคือมีอวัยวะรหัสโตอย่างหม้อน้ำขนาดใหญ่ต้องเดินแบกขึ้นคอไปหรือต้องนั่งทับ ถูกฝูงแรงการนกตะกุมเจาะจิกถึงลอยร้องครนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ช่อกงชาวบ้านชาวเมืองด้วยเด็กเคยเป็นอมาตย์ช่อกงอยู่ในพระนคร น, นั้นท่านอธิบายว่าอมาตย์ผู้มินิจฉัยซึ่งรับสินบนในระหโหฐานแล้วสั่งให้วินิจฉัยบิดเบือนให้ผู้ตีดควรได้กลับไม่ได้ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องแบกภาระ เป็นทุกโทษอย่างหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนไม่ได้เศษกรรมที่รับสินบนในระหโหฐานคือที่ลับจึงส่งให้อวัยวะรหัสปรากฏอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแบกทุกทรมานไปต้นหนึ่งเป็นบุรุษจมหลุมคูดมิดศีษะเพราะเศษกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นด้วยได้เคยเป็นชายชู้ดังกล่าวอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในหลุมคู กอบคูดด้วยมือทั้งสองเข้าปากเขียวเพราะเศษกรรมที่เอาคูดใส่บาทพระด้วยได้เคยเป็นพรามผู้เกลียดและทำการแกล้งพระในพระพุทธศาสนาดังกล่าวในพระนคร น, นั้นตนหนึ่งเป็นสตรีไม่มีหนังถูกฝูงแรงการนกตะกุมเจาะจิกถึงลอยร้องครวญครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมที่ประพฤตินอกใจ ด้วยได้เคยเป็นสตรีประพฤตินอกใจสามีเป็นชู้ด้วยชายอื่นอยู่ในพระนครนั้นต้นหนึ่งเป็นสตรีมีกลิ่นเหม็นรูปร่างหน้าเกลียดถูกฟูงแรงการนกตะกลุ่มเจาะจิกถึงลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่เป็นแม่มดหลอกลวงคนด้วยได้เคยเป็นผู้หลอกลวงแสดงตนเป็นยักษกทาสีคือเป็นผู้รับใช้ เป็นสื่อทรงของยักษ์หรือผู้ผีปีศาจรับบูชาพิีกรรมของคนผู้หลงเชื่ออยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นสตรีถูกไฟไม้สุกเรียมดำคล้ำไปทั้งตัวเยิ้มเกลรกลางไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองลอยร้องครวญครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่โรยฐานเพลิงบนศรีรษะหญิงอีกคนหนึ่งด้วยแรงริษยาด้วยสตรีคนนั้น ได้เคยเป็นอัครมเหสีของพระราชากลิงคะมีความริษยาในสตรีร่วมพระราชสวามีคนหนึ่งถึงกับใช้กระทะเหล็กตักฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะของนางนั้นคนหนึ่งเป็นกะพันทะคือฝีไม่มีศีรษะมีตาและปากอยู่ที่อกถูกฝูงแร้งการนกตะกุมเจาะจิกถึงลอยร้องโควนครางไปในเวหา เพราะเศษกรรมที่ฆ่าตัดศีรษะคนด้วยได้เคยเป็นเพชฌฆาตชื่อว่าหาริกะตัดศีรษะโจนเป็นอันมากอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นภิกษุต้นหนึ่งเป็นภิกษุณีต้นหนึ่งเป็นสิกขมาณาคือสามเณรีผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องรักษาศีลพิเศษยอยู่สองปีก่อนระหว่างนี้เรียกว่าสิกขมานา ตนหนึ่งเป็นสามเณรตนหนึ่งเป็นสามเณรีทุกตนทรงสังคาติบาทประกฏเป็นไฟลุกโชนตลอดทั้งร่างกายลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่เป็นผู้บวชแล้วทำชั่วด้วยแต่เคยเป็นภิกษุภิกษุณีศิกขานาสามเณรสามเณรีผู้ประพฤติไม่ดีบริโภคปัจจัยาลาภที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้ว ไม่สำรวมกายวาจาหาเลี้ยงชีพผิดทางสมณะขนองและเริงใจจนถึงวิบัติต่างๆเปรตเหล่านี้เป็นเปรตในพระนครราชกึกท่านว่าท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นด้วยทิปจักสุขได้มีผู้เกยไม่เชื่อมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเหมือนกันดังที่มีเล่าไว้ในบาลีพระวินัยว่าพวกพิสุ เมื่อได้ฟังท่านพระมาหาโมคคลานะเล่าเรื่องนี้ก็ยกโทษท่านว่าท่านพูดอวดอุตริมนุษธรรมคือธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกทั้งหลายผู้มีดวงตาญาณจักรู้จักเห็นได้และท่านว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นสัตว์นั้นก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทรงพยากรณ์เพราะถ้าทรงพยากรณ์แม้ว่าคนอื่นไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นโทษเป็นทุกข์แก่คนเหล่านั้นท่านว่าครั้นทรงได้พระมหาโมคลานะเป็นพยานจึงทรงพยากร